เป็นอัฏฐานะเวมตัตติต่างกันด้วยกระทำบ้างมิได้กระทำบ้างแต่เมื่อได้ตรัสเป็นสมเด็จพระสัพพัญย์อยู่แล้วก็ตรัสรู้เหมือนกันประกอบด้วยพระสิริรูปและฌานศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะและจตุเวสารัชยานทศพลยานจุทถะพุทธยาน อัธรศ ะ, ะพุทธธรรมเหมือนกันจะได้แปลกต่างกันหาไม่ได้นะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิโวดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระ า, าเกษณ์ผู้ปรีชาตกว่าพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายจะตรัสเป็นสมเด็จพระสัพพัญญูรู้ธรรมนั้นรู้เหมือนกันเท่ากันเมื่อเช่นนั้น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 ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระโกดมโพธิสัตว์เห็นวิปปการแห่งพระสนมกรมคนานางนอนหลับกรนคลางน้ำลายไหลสาราพัด จ, จะวิการไปทุกอย่างปรางประสาทสงัดเหมือนชัดแห่งป่าช้าพระนิพพิธายานก็บังเกิดในพระบวรราชสันดานในอัฐรติกะสมัยเที่ยงคืนพระองค์ก็บังเกิดเนยนาย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 จะผุดลอยมาสู่สมบรมโมโหที่สมผานพ่อแล้วอย่าสงสัยพ่อจะมีพระราชอาญาแพ่ไปจะได้เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่แต่ละทวีปนั้นมีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวาร น, นานไปก็จะได้พระราชโอรสมีฤทธเดชรูปโฉมงามตามเสด็จดูแลต่างพระเนตรพระกันยังอีกเจ็ดวันท่านจะได้เป็นจอมทวีป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 พระบรมโพธิสัตว์ขาดศูนย์จากตัวอุปาทานอันถือมั่นสำคัญไหลหลงพะวงอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะสัมผัสจำเดิมแต่เห็นวิปปการของนางสนมทั้งหลายก็เบื่อนายชิงชังทรงเห็นว่าเกิดมามีแต่ชาติตุกข์ชาาทุกข์พยาทิทุกข์มารณะทุกข์อานิจจังไม่เที่ยงแท้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 ยังเหลืออยู่อีกหกพระวัติษาเท่านั้นก็จะได้ตรัสเมื่อในระหว่างนั้นพระยามาลจะมาว่าให้กลับพระองค์จะกลับที่ไหนเหตุว่าสัาพพาพันธนาห่วงทั้งปวงนั้นปาทาลิตาองค์พระบรมโพธิสัตว์ทำลายเสียสิ้นแล้วสมเด็จพระเจ้าวิรินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาฆเสนะ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 อิสริยยศประการหนึ่งกามคุณห้าประการหนึ่งสิริท้วนสิบประการเท่านี้ห่วงที่จำสัตว์มนุษย์บุุษหญิงชายไว้ในโลกสิบประการนี้ถึงมาดว่าสัตว์จะสละไปก็ย่อมจะเป็นห่วงเป็นใหญ่อาัายต้องกลับมาทัศพันธนานิอันว่าเครื่องจำสิบประการนั้นปัทาลิตานิ อันองสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเราทำลายเสียไม่ไฝ่ฝันตัดสมาเหตุดังนั้นสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเมื่อพระยามานมาว่ายังอีกเจ็ดวันจะได้เป็นบรมจากนั้นพระองค์เจ้าจึงไม่ได้กลับขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิดินภูมินธราธิปดีมีพระราชโอการตรัสว่า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 จะเป็นใหญ่ยิ่งในการงานกัมมะสีโลจะเป็นผู้มีปกติคระทราการงานกัมมะทาเรยโยจะทรงไว้ซึ่งการงานกัมมะนิเกตวาสีจะมีอุตสาหะในการงานอยู่เป็นนิดกรมมะพันธเนนะอมุตโตจะไม่ปล่อยปละละอยู่ให้เป็นผู้พ้นว่างจากการงานอปปมัตโต ควรจะรีบขนขวายเป็นคนไม่ประมาทตั้งใจบำเพ็ญการกระทำเสียประมาทอยู่หาขวดไม่พระโพธิสัตว์เจ้ามาสัญญาในพระไทยชนี้จึงกระทำทุกขระกิริยาเพื่อจะให้พระยานแก่กล้าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธทิปดีมีพระราชโ อ, อการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา เมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้ารกระทาทุกกรกิริยานั้นมาตรัสอย่างนี้ว่าอาหังอันว่าอัตมารกระทาทุกกรกิริยามาลำบากนักหนาอัตมาก็หาได้ซึ่งอุตริมนุสธรรมอันพระอริยะเห็นประจักษ์ด้วยอริยญาณยไม่ดังอัตมาวิตกไปหรือว่าทางอื่นที่ไหนกระมัง